สมัยครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้ฟังมากทุกวันทุกวันเหมือนกับเรานะนบางแห่งพระองค์เสด็จไปขั้งเดียวสอนแล้วพระองค์ก็ไปสอนที่อื่ น, นก็เรียนเอากรรมฐานเท่านั้นไปบริกรรมภาวนาะซ้สำซ้ำซักทราบผิวทั้นั้นจิตไม่ฟุ้งซ่านไปไหนอยู่ในเท่าที่เรียนได้ทั้นั้นจนเกิดความสงบความวิเวร ได้รู้ทำเห็นธรรมขึ้นมาไม่ได้ไปท่องบนมาจากไหนไมโพดได้แจกสานปฏิซ้มพิถาอย่างจนมากมายฟังครังเดียวคราวเดียวแลฟังสองสามครั้งก็สามเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วก็เรียนเอากรรมฐานเ อ, อท่องเอากรรมฐานเตสาโรมานะคาทันตาแล้วก็ไปท่องไปภาวนาก็ได้สําเร็จ เราหาแต่อาจารย์หาแต่ธรรมะอยากฟังมากมา ก, มากอยากได้ยินมากมากได้ความรู้มากมากในโบราณนวนะรูปรูปมากยากนานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะรูปมันก็ฟุง้งซ่านมันออกไปก่อนออกไปรู้ก่อนจิตยังไม่เป็นออกไปรู้นอนรู้นี่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเลย กิเลดมันล่อออกไปไม่ให้ใหเห็นรากเงาของมันไม่เห็นรังของมันเลยไปเอาแต่สัญญาเอาแต่อารมณ์ความจำได้มาเป็นความโลภสัญญามันก็อยู่ในใจแ ล, ล้วเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไปได้แต่ออนิจจังได้แต่ทุกขังได้แต่อนัตตาอยู่ตลอดไปไม่พ้นจากทุกภัยในวัฏสงสาร เอาจริงๆแล้วมารวมอยู่ในใจอันเดียวไม่ต้องหากําหนดอยู่ตรงนั้นแต่อย่างเดียวญาไปอย่ากเห็นอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นดับตรงนั้นรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นประตูเดียวเท่านั้นมากผลเกิดในมนโนทวารเพียงเดียวไม่ได้เกิดทางตาทางหูทางจมูกเเกิดในทาง มโนถวายางเดียวโดวยจิตนันสะอาดหมดจดอย่างเดียวไม่เกิดจากวิญญาณอาศัยที่อื่นอสมโนโวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอว่าเราทั้งหลายจดจาไว้ให้ดีนำไปประพฤติธปฏิบัติฝึกขดอบปลอมทำสม่ำเสมอให้สมควร ปฏิบัติรมสมควรเปิดรมปฏิบัติชอบยิ่งเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรเป็เวลาแล้วจึงเกิดร้อมกั